พระไตรปิฎกเล่มที่17เจสังยุตานิกายนิทานวัตรเป็นสุดตันตปิฎกเล่มที่เก้าพระไตรปิฎกเล่มนี้ส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องขันห้าได้แก่รูปคือท่าทั้งสี่ประชุมกันเป็นกายและรูปอาศัยคืออาการอื่นๆที่อาศัยท่าทั้งสี่ปรากฏขึ้นเช่นตาหูจมูก เป็นตน้นรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารถ้าดับอาหารรูปก็ดับเวทนาความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ซึ่งเกิดจากภัสสะหกมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือการที่ตาเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเป็นตน้นสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงได้เป็นตน้นสังขารความคิดคือเจตนาที่เป็นไปในรูปเสียงเป็นตน้นวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ หมายถึงรู้สึกว่าเห็นรูปฟังเสียงเป็นตน้นพระไตรปิฎกเล่มนี้รวมทั้งหมดมี13บสามสังยุตคือหนึ่งขันธสังยุตประมวลเรื่องขันกล่าวถึงขันห้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ 2. าราธสังยุตประมวลเรื่องพระราธา 3. ทิฏฐิสังยุตประมวลเรื่องทิฏฐ คือความคิดเห็นที่เนื่องด้วยขันห้า 4. อกันตะสังยุตประมวลเรื่องข้ามผลภูมิชั้นต่ำหรือภูมิปุตชน 5. อุปปาทสังยุตประมวลเรื่องความเกิดขึ้นแห่งตาหูเป็นตน้นเท่ากับเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุก์กกิเลสสังยุต ประมวลเรื่องกิเลสคือความชั่วภายในจิตใจที่ทําใจให้เศร้าหมอง 7. สาวรีบุตรสังยุตประมวลเรื่องพระสารีบุตร 8. ปดนาคสังยุตประมวลเรื่องนาดนาดในที่นี้คือสัตว์ประเภทงูสําหรับคําว่า น, นาดมีความหมายหลายอย่างนะครับในบางประโยค หมายถึงช้างในบางประโยคหมายถึงความยิ่งใหญ่ภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นไทยแล้วต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงจะแปลได้ถูกต้องนะครับคันทัพพกายสังยุตประมวลเรื่องเทพพวกคนทันคือเทพที่สิงอยู่ในกลิ่นแห่งรากไม้แก่นไม้กระพีไม้เปลือกไม้ สเก็ตไม้ดอกไม้อลไม้รสไม้และกลิ่นไม้11วลาหักะสังยุตประมวลเรื่องเมฆสิบวัชโคตรตสังยุตประมวลเรื่องวัชโคตรตปริภาชกและ 13. สมสมาธิสังยุตประมวลเรื่องสมาธิ คือการทำใจให้ตั้งมัน่นพระไตรปิฎกเล่มที่ส7เจดประสุตันตะปิฎกเล่มที่เก้าสังยุตนิกายขันธวารวักรขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขันธสังยุตมูลปันนาตนากุลปิตุวัค หมวดว่าด้วยนา ก, กุลาปิตาขหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกะลาวันเขตกรุงสุงสุมารกคีระแควนพัก ค, คะครั้งนั้นนา ก, กุลาปิตาคหบดีเข้าเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุ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 พระผู้มีประภาคตรัสว่าข้าพดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นความจริงกายนี้กระสับกระส่ายเป็นด่งปองไขมีเปลือกอุ้มไวอันหนึง่งบุคคลผู้บริหารกายนี้พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่จิตจักไม่กระสับกระสายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ลำดับนั้นณกุลปิตากหาบดีชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษินแล้วเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรถึงที่อยู่ท่านพระสาวรีบุตรถามว่า ทำไมอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผ่องใสวันนี้ท่านได้ฟังธรรมีกาถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคหรือไม่นักกุลลาปีตากหาบดีตอบว่าเป็นเช่นนั้นถามว่าทรงแสดงธรรมีกาถาอย่างไรกหาบดีนั้นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระสารีบุตรได้ทราบท่านพระสารีบุตรจึงถามว่า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 นกุลปิตาก็หาบดีขอให้ท่านพระสารีบุตรอธิบายเนื้อความแห่งภาสิก น, นั้นให้จำแจง้งท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวเรื่องนี้ว่าข้หาบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและมีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างไรคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ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 เราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อรูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเรารูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะคือความเศร้าโศกบริเทวะความกลําครวนทุกข์คือความทุกข์กายโทมานต์ความทุกข์ใจ และอุปายาตคือความขับแค้นใจจึงเกิดขึ้นแก่เขาและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอตตาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเมื่อเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณ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 ไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อรูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยาสาวกนั้นและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องรูปคือไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนานั้นเป็นของเราเราเป็นสัญญาสัญญานั้นเป็นของเราเราเป็นสังขารสังขานั้นเป็นของเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นของเราเมื่อขันห้าแต่ละประการนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกาปริเทวะ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 มีใจยินดีชื่นชมพาสิทธ์ของท่านพระสาวรีบุตรดังนี้แลเทวทหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคมสมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยู่ณเทวทหนิคมของเจ้าสักกายทั้งหลายแขวนสักกะ ครั้งนั้นภิกษุจํานวนมากผู้ต้องการจะไปยังปัจฉาผู้มชชนบทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบเวลาผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอทั้งหลายบอกสารีบุตรแล้วหรือยังได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้บอกลาจึงตรัสให้ภิกษุเหล่านั้นไปบอกลาท่านระสารีบุตรสัก่อน เพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนภิกษุผู้ประพฤติปรมจรรันทร์สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่ในมนดบเล็กๆซึ่งมีตักไคร่น้ำขึ้นปกคลุมแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรและกล่าวถึงความต้องการที่จะไปยังปัจจาภูมชนบทเพื่ออยู่อาศัย ท่านพระสาวรีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขหาบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่หากคนผู้เป็นบัณฑิตใกล้รู้ถามว่าพระาศาสดาของพวกท่านมีวาทะอย่างไร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 และการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้เมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงขอร้องให้ท่านพระสาวรีบุตรอธิบายเนื้อความแห่งภาสิท์นั้นให้แจ่มแจง้งท่านพระสาวรีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กระสัผู้เป็นบัณฑิตบ้าง พรามข้าบดีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่หากคนผู้เป็นบัณฑิตใคร้รู้ถามว่าพระาศาสดาของพวกท่านมีวาทะอย่างไรตรัสสอนอย่างไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระาศาสดาของเรา มีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะมีผู้เป็นบัณฑิตใกล้รู้ถามว่าก็พระสาสดาของพวกท่านมีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในสิ่งไรเล่าท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระสาสดามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารพระสาสดามีปกติตรัสสอนให้กาจัดฉันทราคาในวิญญาณแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะพึงมีบัณฑิตใกล้รู้ถามว่าก็พระสัสดาของพวกท่านทรงเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กาจัดฉันทราคาในขันห้าเหล่านั้น พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายความเร่าร้อนความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะบริเทวะทุกโทมนั์และอุปายาตจึงเกิดขึ้นและโดยในยะเดียวกัน เมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นนั้นในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเพราะขันห้าเหล่านั้นปราพันเป็นอย่างอื่นโซกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาจึงเกิดขึ้นพระศาสดาของพวกเราทรงเห็นโอนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดชันทราคะในขันห้าเหล่านั้น แม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะพึงมีผู้เป็นบัณฑิตใกล้รู้ถามว่าก็ aw, พระศราสดาของพวกท่านทรงเห็นอานิสง์อะไรจึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูปเป็นต้นนั้นท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลปราศจากความกําหนัดปราศจากความพอใจความรัก ความกระหายความเร่าร้อนและความทยานอยากในรูปเมื่อรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นไปโสกาปริเทวะทุปโทมานต์และอุปายาจจึงไม่เกิดขึ้นและโดยในยะเดียวกันเมื่อบุคคลปราศจากความกัหนัดในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นไป โสกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นพระศาสดาของพวกเราทรงเห็นอนิสงส์นี้แหลจึงตรัสสอนให้กำจัดชั้นทาราคะในรูปเป็นต้นนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงอากุศลละธรรมทั้งหลายอยู่แล้วมีการอยู่เป็นสุข ไม่ลำบากไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วพึงหวางได้สุคติพระผู้มีพระภาคก็จะมีสงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลายไวแต่เมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงมีการอยู่เป็นทุกข์ลำบากคับแค้นใจเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียว และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสรรเสริญการละอกุศลละธรรมทั้งหลายไว้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าบุคคลเข้าถึงกุศลละธรรมทั้งหลายอยู่แล้วมีการอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติ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 จึงทรงสันเสริญความถึงพร้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านพระสาวรีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านพระสาวรีบุตรหาลิทธิการิสูตรว่าด้วยหาลิทธิการิคหบดี สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจานะอยู่ณภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันแขวนอวันตีครั้งนั้นขหาบดีชื่อหาฤทธิการนิเข้าไปหาและถามดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสผาสิบนี้ในมาคันติยะปัญหาอันมาในอัตตกาวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วคือละขันห้าแล้ว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 เนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดาลอย่างไรท่านพระมหาการนาตอบว่าขหบดีรูปธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในรูปธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่และโดยในยะเดียวกัน เวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในเวทนาธาตุสัญญาธาตุหรือสังขารธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่บุคคลผู้ไม่เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่เป็นอย่างไรคือความพอใจความกำหนัด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 ภูม่สรงเที่ยวซ้านไปหาที่อยู่และโดยในยะเดียวกันความพอใจความกำหนัดเป็นต้นนั้นอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นตือมั่นและนอนเนื่องในเวทนาธาติในสัญญาธาติในสังขารธาติในวิญญาณธาติรัตถาคตทรงละได้เด็ดขาด บัณดิตจึงเรียกรตัตาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อยู่บุคคลผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความเที่ยวซ่านไปหาความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยความเที่ยวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย คือสัทธะนิมิตขันธะนิมิตประสานนิมิตโพธิภะนิมิตธรรมะนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยบุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปนิมิตสัทธะนิมิตขันธะนิมิตประสานนิมิต พทธานิมิตธรรมานิมิตรัตถาคตละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโกนไปแล้วเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกรัตถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยบุคคลผู้เกิดความเยื่อใหญ่ในบ้านเป็นอย่างไร คือพิกษุปบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับเขารหัดเพลิดเพลินร่วมกันเศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองขะหบดีบุคคลผู้เกิดความเยอใหญ่ในบ้านเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้ไม่เกิดความเยื่อใยในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับเขาหรือหัดไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็มีได้สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่กวรทําเกิดขึ้นก็ไม่ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเอง บุคคลผู้ไม่ว่างจากการ Starbucks ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนและความทยานอยากในกามทั้งหลายบุคคลผู้ว่างจากการทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ปราศจากความกำหนัด ราษจากความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนความทยานอยากในกามทั้งหลายบุคคลผู้มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้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 บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้กล่าวถ้อยคำเห็นปานนี้ว่าท่านไม่รู้พระธรรมวินัยนี้แต่เรารู้ท่านรู้พระธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่เราปฏิบัติถูกคําที่กวรกล่าวก่อนท่านก็กล่าวที่หลัง คำที่กวนกล่าวที่หลังท่านก็กล่าวก่อนคำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์ข้อที่ท่านเคยปฏิบัติมาผิดเสียแล้วเรากล่าวหาท่านท่านจงแก้ข้อกล่าวหาเสียเราข่มท่านได้แล้วหรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดก้าบดีบุคคลผู้กล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างนี้แล ส่วนบุคคลผู้ไม่กล่าวถ้อยคาขัดแย้งนั้นโดยในยะตรงข้ามกันคือไม่กล่าวถ้อยคำเหล่านั้นข้าบดีพระพาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้นี้คือบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่มูนีไม่ทาความเยื่อใยในบ้านว่างจาักกามทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไป ไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันขหาหบดีเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อพึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แหลหลิธิการนิขหบดีถามต่อว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้ในสักกะปัญหาว่า สมณพราหมณ์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสาเร็จขั้นสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐ ส, สุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนื้อความแห่งพระภาษิตที่ตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไร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 ปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นและโดยในยะเดียวกันความพอใจความกำนัดเป็นต้นนั้นในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นไปกลายกำนัดดับสละบปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้น ขหาบวดีเนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้ว่า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 ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณอะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือภิกษุในธรรมวิเนยนี้เพลิดเพลินเฉยชมยึดติดภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูป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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้และโดยในยะเดียวกันเพลิดเพลินเฉยชมยดติดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเพลิดเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอะไรเป็นความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เพลิดเพลินไม่เคยชม ไม่ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นความเพลิดเพลินในขันห้านั้นจึงดับเพราะความเพลิดเพลินนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูป นี้เป็นความดับแห่งเวทนานี้เป็นความดับแห่งสัญญานี้เป็นความดับแห่งสังขารนี้เป็นความดับแห่งวิญญาณปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร่นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีประภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในที่สงัดภิกษุผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือรู้ชัดความเกิดความดับแห่งรูปความเกิดความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญา ความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณอุปาทาปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมัน่นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีทรงแสดงเรื่องความสะดุ้งเพราะถือมัน่น และความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างไรคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่จะรับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นไม่ฉลาดไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของสัตบุรุษ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 ก็ครอบงำจิตของปุตุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุตุชนนั้นจึงหวาดกลัวลำบากใจห่วงใยและสะดุ้งเพราะถือมัน่นและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตา เมื่อขันห้าเหล่านั้นของเขาแปรพันเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรพันแห่งขันห้านั้นความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปลพันแห่งขันห้านั้นก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ปุถุชนนั้นจึงหวาดกลัวลำบากใจอ่วงใหญ่และสะดุ้งเพราะถือมัน่น ภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างนี้แลความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจรารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ คือขันห้านั้นโดยความเป็นอัตตาเมื่อขันห้าของอริยส า, าวกนั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งขันห้านั้นความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดนั้นก็ไม่ครอบงาจิตของอริยส า, าวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงาอริยส า, าวกนั้น จึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แลความสะดุ้งเพราะถือมั่นอีกในยะหนึ่งคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา เมื่อรูปของเขาปราพันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปาญาจึงเกิดขึ้นแก่เขาและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเมื่อขันห้าของเขาปราพันเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมันอีกนัยยะหนึ่งคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เมื่อรูปเป็นต้นนั้นของอริยาสาวกนั้นราผันเป็นอย่างอื่นโสกะบริเทวะทุโทมนัตและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกนั้นความไม่สะดุ้งเราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แหละกาลตยะอนิจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงในสามการ เรื่องเกิดขึ้นที่กลุ่มสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เทียงไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยะตาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงขันห้าที่เป็นปัจจุบันเลยอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนั้นย่อมไม่อาลัยในขันห้าที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินขันห้าที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับขันห้านี้ที่เป็นปัจจุบันกาลตาัตยัุุขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ในสามการรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยาสาวก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 ผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในขันห้าที่เป็นอดีตนั้นไม่เพลิดเพลินขันห้าที่เป็นอนาคตนั้นปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นปัจจุบันกาลตายัตตนะสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาในสามการภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาไม่จําต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาไม่จําต้องกล่าวถึงที่เป็นปัจจุบันเลย อริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในขันห้าที่เป็นอดีตไม่เปลิดเพลินขันห้านั้นที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับขันห้านี้ที่เป็นปัจจุบันจบวัคที่หนึ่งนกุลาปิตุวัก